พวกเราสบายวกคนจำนวนมากนะเราเรียนธรรมะง่ายแผ่นดินของเร า, าศาสนายังดำรงอยู่แต่าศาสนาเรานะอันตรายมันเยอะสมเด็จพญานสังวรท่านเคยเขียนไว้ว่าอันตรายภายัย ค, คุกคามต่อพระพุทธาศาสนานะมีอยู่มากนะพวกเราจะต้องช่วยกันรักษาพระพุทธาศาสนาไว้เพื่อตัวเราเองนะ เราได้ปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ก็เพื่อลูกหลานต่อไปข้างหน้าจะได้รักษาสืบทอดมีธรรมะไว้ไม่งั้นคนสแสวงหาความพ้นทุกข์เราไม่รู้จะพ้นยังไงลำบากมากเลยไม่มีที่พึ่งที่อาศัยอะไรวิธีที่เราจะรักษาพระพุทธศาสนาไว้นะมันมีงานที่ต้องทำสองงานงานหนึ่งศึกษาปฏิบัติธรรมด้วยตัวของเราเองให้รู้เรื่อง วมื่รู้เรื่องแล้วก็มีงานที่สองประกาศออกไปเผยแพ ร, ร่ออกไปเท่าที่เราทำได้แต่ละคนมีความสามารถไม่เหมือนกันเก่งกันคนละอย่างสองอย่างใครมีความสามารถทางไหนก็ใช้ความสามารถทางนั้นอาจจะใช้สื่อที่แตกต่างกันออกไปแต่เนื้อหาสาระของธรรมนะนั้นต้องเที่ยงตรงไม่งันก่อนที่เราจะเผยแพร่ เราควรจะรู้ธรรมะที่ถูกที่ตรงสก่อนครูบาอาจารย์สอนบอกว่าฝึกตนดีแล้วค่อยฝึกผู้อื่นไม่งเราจะเอาความเข้าใจผิดของเราไปเผยแพร่แทนที่จะรักษาศาสนานะกลายเป็นทําลายศาสนาซะอีกทุกวันนี้เนี่ยการเผยแพร่ศาสนามีเยอะมากนะไปดูตามร้านหนังสือก็มีหนังสือธรรมะเยอะแยะเลยมันเป็นธรรมะหรือไม่ใช่ธรรมะเนี่ยพูดยากมากเลย ความรู้ความเข้าใจที่มันคลาดเคลื่อนมันมีมากแล้วก็พวกคลาดเคลื่อนเนี่ยขยันเผยแพร่ด้วยสิแปลกอย่างสอนให้ไม่ยึดอะไรเลยพระพุทธเจ้าบอกไม่ต้องยึดอะไรเลยไอ้นั้นมันเป็นปลายทางของการปฏิบัติต้นทางการปฏิบัติทำไงจิตมันจะไม่ยึดต้องว่ากันตรงนี้ด้วยไม่ใช่เอาแต่ผลแล้วบอกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยถ้าไม่ยึดอะไรเลยศีล้ไม่ยึดสมาธิปัญญาไม่ต้องทย ไม่ต้องทําอะไรแล้วบรรลุได้งั้นหมาบรรลุแล้วมาไม่ได้มีศีลสมาธิปัญญาทําไมไม่บรรลุอ่ะเพราะไม่ได้ทําเหตุที่จะบรรลุได้แล้วบรรลุแล้วนะก็จิตไม่ยึดถืออะไรเลยถูกต้องต้องทําต้นทางไม่ใช่ทาปลายทางหรือสอนบอกว่าวิธีจะบรรลุพระละหันนะสังเกตดูพระละหันเนี่ยจิตท่านไม่เคลื่อนไปเคลื่อนมาอะไรเนี่ยนะไม่ส่งออกทางสวรรค์ทั้งห งั้นเรามาพัฒนาจิตให้มันเป็นแบบนี้ประคองจิตให้มันไม่เคลื่อนนะประคองจิตให้มันนิ่งไม่เคลื่อนไปไหนเลยรู้สึกตัวอยู่ชย่ยไม่เคลื่อนไปคือไปเรียนคุณสมบัติไปเรียนปลายทางไม่ได้เรียนต้นทางว่าทำไมจิตพระราหันไม่เคลื่อนจิตพระราหันไม่เคลื่อนเพราะปัญญามันแจ้งว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรเนี่ยมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยไม่รู้จะเคลื่อนไปทําอะไรไมัมีแต่ทุก ไม่ได้มองต้นเหตุนะมองแต่ว่าปลายทางเป็นยังไงแล้วก็พยายามไปก๊อปปี้รูปแบบนะก๊อปปี้ลักษณะจิตพระลหันบ้างอะไรบ้างนะจิตว่างนะเราก็ติดคำว่าจิตว่างกันเนยอะนะจิตไม่เคยว่างเลยนะอยู่ๆจะไปนึกว่าจิตว่างนึกไม่ได้หรอกนะจิตมันว่างจากอะไรว่างจากความยึดถือต่างไม่ใช่ว่างจากอารมณ์นะจิตพระลหันก็รู้อารมณ์พระลหันมีตาไหม มีมองเห็นรูปไหมมีหูได้ยินเสียงไหมแสดงว่าจิตนมีจิตออกไปที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายคิดได้ไหมหรือพระอราหันต้องไม่คิดเนี่ยบางคนเขาเพี้ยนหนักนะพระอราหันต้องไม่คิดเพราะคิดเป็นโลภะโจิตมันมีหน้าที่คิดต่างหากล่ะนี่คำสอนที่มั่วๆเนี่ยเยอะมากเลยนะหรือสอนว่าจิตเที่ยง สอนว่าจิตเที่ยงนะจิตนิรันดรจิตเที่ยงพระพุทธเจ้าพูดตรงๆว่าจิตมันไม่เที่ยงดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนท่านสอนอย่างนี้คนที่ใส่หมวกความเป็นพุทธนี่นแหละโอโ้มันเผยแพร่ละทิเดระถีทำํำลายพระพุทธศาสนาหนักหนาสาหัสนะดังนั้นเราต้องเรียนนะต้องศึกษาทางปริยัตปฏิบัติได้ยิ่งดีปริยัตก็จําเป็นแต่ว่าปริยัตก็เรียน ให้รู้หลักนะพอรู้หลักแล้วก็ลงมือปฏิบัติปฏิบัติแล้วมีผลยังไงนะตรวจสอบด้วยปริยัติอีกทีมันะนถึงจะแน่นอนงินมั่วนะมั่วมากเลยจิตเที่ยงเนี่ยพูดออกมาได้จิตเที่ยงขัดกับพุทธเจ้านะสอนให้อยู่กับความว่างสอนให้าอยู่กับความว่างก็เป็นอรูปปัจฉมไม่ใช่ทางนะถ้าเราทิ้งเส้นทาง ของศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเสร็จแล้วนะโอกาสบรรลุมรรคผลไม่มีหรอกใครเคยเห็นพระพุทธรูปพระสมเด็จไสไรพวเนี้นะพระสมเด็จเนี่ยมีฐานสมชั้นคือศีลสมาธิาปัญญานั่นเองนะอันเกิดจากศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเป็นพระนั่งสมาธาิหมายถึงความรู้แจ้งความเป็นพุทธะความเป็นพุทธะลอยอยู่ในอากาศไม่ได้นะ ขึ้นมีขึ้นมาได้ก็เพราะศีลสิกขาจิตศิกขาปัญญาศิกขาหน้าที่ของชาวพุทธคือเรียนศิกขาไปลว่าเรียนคือคํา ว, ว่าศึกษา น, นั่นเองคําเดียวกันหน้าที่ของเราต้องเรียนเรียนว่าทํายังไงเราจะมีศีลศีลมีไปเพื่ออะไรมีประโยชน์อะไรทำไงถึงจะมีศีลเรียนว่าทํายังไงจิตจะสงบเรียนว่าทํำยังไงจิตจะตั้งมั่นนะเพื่อจะได้มีสมาธิสมาธิอย่างหนึ่งเอาไว้พักผ่อนสมาธิอย่างหนึ่งไวเ้ไเดินปัญญา เรียนวิธีเดินปัญญาเรียกว่าปัญญาศิกขาวิธีรู้รูปธรรมรู้ยังไงวิธีรู้นามธรรมรู้ไงรูปธรรมรู้ลงปัจจุบันขณะนามธรรมนั้นตามรู้เนะเช่นโกรธแล้วรู้โกรธไปก่อนแล้วรู้ว่าโกรธนะกำลังโกรธอยู่รู้ว่าโกรธนี่เป็นไปไม่ได้เพราะขณะที่โกรธสติจะไม่มีเนี่ยมันละเอียดมากเลยนะละเอียดแต่ถ้ารู้รูปอย่างร่างกายกําลังเคลื่อนไหวเรามีสติรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวนี่รู้ได้ไหม รู้ได้ในขณะที่กำลังเคลื่อนเลยเพราะว่ามีมีรูปนี้เป็นอารมณ์แต่ถ้าจะดูกิเลสเนี่ยจะต้องดูตามหลังไม่มีให้ดูหรอกในปัจจุบันเพราะว่าถ้ามีสติไม่มีกิเลสในวิธีดูก็ไม่เหมือนกันเพราะงั้นเวลาดูจิตเนี่ยอย่าไปจ้องอย่าไปรอดูให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้ว่ามันมีความรู้สึกนะอย่าไปจ้องไหนรอดูิจะดูจิตแล้วจ้องมันจะว่างๆไม่มีอะไรให้ดูเลยนะ มันเหมือนคล้ายๆหนูนะจิตเหมือนหนูนะขุดรูอยู่เราไปยืนอยู่ปากรูนะถือไม้เตรียมตีหัวมันนะมันไม่โผล่ขึ้นมาหรอกเราต้องทำเป็นอยู่ห่างๆทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เดี๋ยวมันก็โผล่ดูจิตท่าดูแบบนั้นนะแอบแอบจำเหลืองทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ให้มันทางานไปเดี๋ยวมันค่อยโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวราคะก็โผล่เดี๋ยวโทสะก็โผล่เดี๋ยวโมหะก็โผล่นะ ก็คือเราไปจ้องอยู่ไม่มีอะไรโผล่เลยเพราะงั้นดูกายนี่รู้ลงปัจจุบันได้เลยสดๆร้อนๆนี่แหละดูจิตนะดูตามหลังไปเลยนะแต่ต้องตามกระชั้นชิดไม่ใช่เมื่อวานกโกรธมันนี้รู้ว่าเมื่อวานกโกรธอันนี้ไม่ใช่ น, ะนานเกินไปต้องแบบเห็นหางมันยังไหวๆอยูนะ่เห็นความโกรธเห็นหางมันไหวๆเวิบหลุดพ้นไปละอย่างนี้นี่ถือจะดูอย่างนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้นะต้องเรียนทั้งสิ้นเลยนะ นี่หลวงพ่อพยาพยามพยนะสอนแล้วสอนอีกมีซีดีให้ฟังฟังเที่ยวเดียวเนี่ยยากที่จะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อพูดเพราะเนื้อหาสาระมันมหาศาลนะแต่สิ่งที่หลวงพ่อพูดว่ามหาศาลแล้วนะเทียบกับพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นะี่ยังไม่ได้หนึ่งในร้อเลยนะนิดเดียวเองนะนั้นถ้าเราจะไปค้นพระไตรปิฎกแล้วหาวิธีปฏิบัติเนี่ยเลือดตาแทบกระเด็นเลยนะนี่หลวงพ่อเองก็ค้นพระไตรปิฎกนะ ตอนเด็กๆทําสมาธิได้สมาธิแล้วแต่เด็กแล้วตั้งแต่เจ็ดขวบทําจนถึงอายุ29 22ิบเี่สิบสองปีที่ทำสมาธิอยู่ระหว่างนั้นโตขึ้นมาเนี่ยดิ้นรนมากเลยว่าทําสมาธิอยู่อย่างเงี้ยไม่เห็นมันพัฒนาจะทํายังไงปฏิบัติยังไงให้มันยิ่งกว่านี้ไปอ่านพระไตรปิฎกนะอ่านแล้วอ่านอีกอ่านตั้งหลายรอบนีอ่านภาษาไทยยังไม่เข้าใจดี เอาภาษาบาลีมาวางเทียบแล้วเทียบกันไปทีละคำํำทีละคำนะเทียบนะดูไปเรื่อยๆนะ mm hmm. ก็ไม่รู้จะปฏิบัติยังไงทำมามเยอะแยะไปหมดเลยอาศัยได้เจอครูบาอาจารย์ที่ดีนะท่านบอกเคล็ดให้นะสอนให้เรารู้จิตรู้ใจตัวเองให้รู้ไม่ใช่ให้บังคับเนี่ยมันก็คือคำว่ารู้คำว่าเห็นก็คือคำว่าวิปัสสนานั่นเอง พอมาเดินวิปัสสนาะอาศัยกำลังของสมาธิหนุนหลังทำมาตั้งนานนะสงบอย่างเดียวนะเหมือนลองน้าวสายทนูไว้เต็มเหนียวนะพอมาเดินปัญญาก็ปล่อยวับนะปัญญาเดินได้รวดเร็วเลยนะก็เห็นสภาวะทั้งหลายเกิดดับหมุนมเวียนเปลี่นแปล ง, ปลงได้เห็นได้ทั้งวันพวกเราทำนะทาอย่าวาังฟลุกบางคนนะต้องเชื่อว่าหวยแตกนะ ไม่ปฏิบัตินะอาศัยกะว่าฟังไปเรื่อยๆแล้วไม่ปฏิบัตินะกะว่าฟังฟังไปแล้วได้ธรรมะเด็ดๆแล้วปิง๊งไม่ต้องปฏิบัตินะบนรรลุเลยอขี้เกียจนะ่ะไม่มีหรอกของฟรีอย่างนั้นนะมีแต่ต้องลงทุนลงแรงในเรื่องของกฎแห่งกรรมทั้งนั้นเลยอยากพ้นทุกข์ก็ต้องปฏิบัติทำนะก็เป็นเรื่องกฎแห่งกรรมอยากจะทุกข์ต่อไปก็หลงโลกต่อไปนี่ก็เรื่องของกฎแห่งกรรมก็เท่านั้นเองนะทุกคนนั้นเป็นไปตามกรรมมีกรรมเป็นเครื่องจำแนก เราต้องทำนะศาสนาพุทธเป็นศาสนาของการกระทํานะพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาชนิดที่เรียกว่ากรร ม, มาวาทีนะสอนเรื่องการกระทํำงั้นถ้าใครมาบอกเราว่าไม่ต้องทําอะไรเลยจิตนี่ดีอยู่แล้วต้องรู้เลยนะว่ามิจฉาทิฏฐินะมีเยอะมากเลยมิจฉาทิฏฐิที่ปนๆมาในพระพุทธศาสนาเราเนี่ยเราเรียนไม่ดีเราก็โอ้นี่พระพูดจริงๆอ่ะก็พระเหมือนกันนะพูดเหมือนกันพูดมันคนละเรื่องกันนะ ต้องฟังต้องอ่านพระไตรปิฎกได้ดีที่สุดเลยนะยิ่งพระสูตรพระวินัยกับพระสูตรนะอภิธรรมปิฎกอ่านไม่รู้เรื่องหรอกนะต้องเรียนอภิธรรมก่อนเดี๋ยจะไปดูรู้เรื่องนะเอาต่อไปส่งกันบ้านเข้ออากาศค่ะเรียนกับหลวงพ่อมา9ปีสองเดือนค่ะก็หนึ่งปีหเดือนแรกนี่คือ ฝึกอย่างเดียวแล้วตอนนั้นเราถึงได้มีสติสมเดือนถัดมาเนี่ก็คือเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาขึ้นมันแยกธาตุแยกขขนไรได้แล้วหลังจากนั้นมันก็เริ่มเสื่อมมาเรื่อยแล้วก็ได้กรรมาฐานอย่างเป็นทางการที่จุนรับไว้จากหลวงพ่ออยู่สองอันก็คืออันนึงก็คือรู้ลงปัจจุบันไปเลยกับอันหนึ่งหลวงพ่อบอกว่าให้ไปขยับบ่อยๆแล้วก็รู้สึกเลยว่าสี่หปีที่ผ่านมานี่คือ มันไม่วุบว้าวเหมือนสามเดือนแรกที่แบบอ่านใหม่ๆวุบวับจีบสาวใหม่ๆก็วือหวาเนอะ <c oughs> อยู่กันหลายๆปีก็กงั้นๆอะ่ะค่ะแล้วก็เบื่อท้อกระวนกระวายทุกอย่างเลยแต่ว่ารู้สึกเลยว่า3าสีปีที่ผ่านมานี่คือมันได้ฝึกขันติได้ฝึกอุเบกขาจนเมื่อวานนี้ตอนที่ฟังเทศอยู่มันก็มีสภาวะหนึ่งที่เห็นขึ้นแล้วก็ แต่แรกจะขยับส่งกันบ้างแต่เมื่อวานแล้วแต่ ว, ว่าไปไข้ครวนมาเจอนกันทั่งคือมันเหมือนกับว่าพอขยับกายปุ๊บแล้วก็เห็นว่าจิตดวงปัจจุบันเห็นจิตดวงก่อนหน้ารู้การเคลื่อนไหวของกายแล้วก็รู้สึกเลยว่าออ ท, ที่ที่ทนมาทั้งหลายทั้งปวงมานี่คุ้มค่ามากๆมันไม่มีเราค่ะมันไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์นะมีแต่สภาวะธรรม มีแต่จิตมีแต่เวทนามีแต่สังขารมีแต่รูปทํางานไปด้วยหัดดูไปด้วยแหละดีแล้วล่ะรู้สึกว่าคําสอนของหลวงพ่อเป็นทองคำอะค่ะหรออย่าไปขายนะทองกําลังลดราคาแล้วก็ โ, โอกาสนี้โมทนากับการดํารงคันของหลวงพ่ออยู่ <c oughs> ด้วยปณิธานที่สืบทอดพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจุ <c oughs> โมทนาชาตุนะแล้วก็พร้อมกันนี้ก็ขอ ตั้งเจตนาสำรวมกายวาจารักษาศีลแล้วก็สังสมบา ร, รมีต่างๆต่อไป<ม>เพื่อเข้าถึงธรรมและ<ม>ความสุขที่หลวงพ่อเข้าถึงแล้วค่ะเข้าถึงธรรมนะมันไม่ใช่แค่ว่าเจริญวิปัสสนาแล้วถึงนะตอนที่มรรคผลมันจะเกิดจริงๆเนี่ยบา ร, รมีต่างๆเนี่ยมันต้องสมบูรณ์พอสมควรเลยเป็นลําดับลําดับไป อยสมัยพุทธกาลนะถ้าเราอ่านพระไตรปิฎกบา ง, งทีโล่งงงทาไมหลวงพ่อสอนบอกให้แยกรูปแยกนามดูไตรลักษณ์ของรูปนามอะไรอย่างนี้สอนแต่เรื่องอย่างนี้ในพระไตรปิฎกบางคนนะไม่เคยรู้เรื่องรูปนามเลยนะอย่างอะถ้าพินทักษ์ไม่รู้เรื่องรูปนามเลยทําไมเป็นพราริยะหรือบางคนนะไม่เคยรู้วิปัสสนาเลยได้ยินเขาสารรเสริญพระพุทธเจ้า ได้ยินพระสั่นเสริญพระพุทธเจ้าเนะี่ยกิดเกิดศรัทธามาได้พระโสดาบันไปเลยนะทําไมเป็นอย่างนั้นได้คนเหล่านี้เนะี่ยสร้างบา ร, รมีต่างๆมาเยอะและ้วมันอย่า ง, างขาดศรัทธาอยู่นิดนึงพอเกิดศรัทธาขึ้นบา ร, รมีตัวนี้เต็มสมดุลขึ้นมานะั้นก็เกิดมรรคผลขึ้นมาเพราอนเราจะมาถือว่าเจริญปัญญาแล้วความดีอื่นไม่ทำเนี่ยเข้าใจผิดร้ายแรงเลยศีลก็ต้องทำนะเมตตาก็ต้องมีใช่ไหม ทานก็ต้องมีขันติก็ต้องมีอธิษฐานะหมายถึงว่าตั้งใจจะทําดีแล้วลําบากแค่ไหนก็ต้องทําอย่างนี้ก็ต้องมีเนคขมมะก็ต้องมีฆราวาสกต้องมีเนคขมมะบารมีเนคขมมะบารมีไม่ใช่แปลว่าต้องออกบวชเนคขมมะคือการที่ไม่ไปติดอยู่กับกามถ้าวันวันหนึ่งนะเราหาแต่ความสุขความสนุกสนานเลิ่เพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเนี่ยก็เรียกว่าเราหลงอยู่ในกาม นะถ้าเรารู้จักสัมรวมรู้จักระวังรู้จักขอบเขตนะก็เรียกว่ามีเนคข ม, ม้าเป็นลําดับลําดับไปนะ อ, ยอย่างถือศีลแปดจะได้เนคข ม, ม้าเยอะหน่อยดูหนังดูละครก็ไม่ดูใชใช้ของหอมอะไรก็ไม่เอาคือลดลดความยั่วยุนที่จะวิ่งตามกามไปเนี่ยบารมีอย่างนี้ก็ต้องมีทั้งนั้นนะ ถ้าเราวันๆเสริมสวยอย่างเดียวหลงโลกอย่างเดียวแล้วบอกว่าเนี่ยเจริญปัญญาตั้งนานแล้วไม่บรรลุสักทีไม่มีในขมามบา ร, รมีนะต้องมีสัจจะไม่มีสัจจ ะ, ะก็ไม่ได้ปลิ้นปล้อนหลอกลวงแล้วบอกว่าจะเป็นพระอริยะมันก็ไม่เป็นนะสัมบาลมีต้องครบเลยนะมีปัญญาเห็นรูปนามตามความเป็นจริงนั่นเราสํารวจตัวเอง พระพุทธเจ้าเวลาสอนนะท่านถึงสอนคำสอนท่านอัศจร น, นะสมบูรณ์จริงๆเลยอย่างท่านสอนโอวาทปาติโมกจําได้ไหมไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ใช่ไม่ทําบาปอย่างใดอย่างหนึ่งนะไม่ทําบาปทั้งปวงทํากุศลให้ถึงพร้อมมีคำว่าถึงพร้อมนะไม่ใช่ทํากุศลอย่างเดียวไม่ใช่ทำวิปัสสนาอย่างเดียวนะทํากุศลให้ถึงพร้อมทําจิตให้ผ่องแผ้วหมายถึง อ, อย่าไปคลุกคลีกับกามมากนะใจจะ ไ, ไปหมกมุ่นกับโลกมาก ถ้าเราทําได้เราก็เจริญนะถ้าจิตมันจะสะอาดหมดจดขึ้นไปลําดับลําดับไปอ้านามสการเจ้าค่ะก็เมื่อวานหลังจากฟังเทศเราก็รู้สึกว่าฟุ้งซ่านน้อยลงเจ้าค่ะดีนะไม่ฟุ้งมากกว่าเก่าแย่เลยอะไรล่ะคะอย่างดีฟังเทศเราฟุ้งกว่าเก่าอีกแย่เลยแลก็อยากจะทราบว่ายังมีอะไรที่ยังต้องปรับปรุงเนื่องที่ทำให้สม่ําเสมอนะขาดความสม่ําเสมออย่าหลงโลกนะ อย่าไปสนุกสนานกับโลกนักอยู่กับมันแต่อย่าไปหลงมันถ้าเราหลงเพลินไปวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเสียเวลาพระคุณเจ้าค่ะก็เมื่อวานไปเดินจงกรมอะค่ะมันก็หลงบ่อยอืหลงบ่อยเนอะเห็นมไหมใจมันหนีแวบแวบหนูเห็นไหมมันหนีเรื่อยเื่อยเห็นบางทีจ้าเห็นบางทีก็เก่งแล้วเห็นไหม เราเห็นแต่ละคราวเนี่ยนะเราได้บุญเยอะเลยนะเราสะสมของเราไปเรื่อยยิ่งเห็นบ่อยยิ่งดีนะแ้่ใจมันหนีไม่ต้องทำอะไรหรอกต่อไป น, นี้คอยรู้ทันใจที่หนีบ่อยๆนะแล้วถ้าใจเป็นสุขก็รู้ใจเป็นทุกข์ก็รู้ใจไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆก็รู้นะมันโกรธขึ้นมาก็รู้นะงอนพ่อบ้างไหม <c oughs> เกิดงอนพ่อขึ้นมาก็รู้เนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยใครใจดีกว่ากันหรือใจดีเท่ากัน ไม่เท่าเห็นไหมไม่กล้าพูดนี่ฉลาดเ <c oughs> นี่ยเห็นไหมเนี่ยเรารู้ทันถึงว่าเจอแม่อุ้ยแม่ชอบว่าชอบบน่นพ่อเนี่ยเอาใจเก่งอย่างเงี้ยเรารู้เจอแม่แล้วชักคลีดเครียดรู้ทันอย่างเงี้ยรู้ทันใจของตัวเองฝนะึกอย่างนี้นะที่หนูฝึกได้ตั้งแต่ตอนนี้เก่งมากเลยเอาใครจําเป็นจะคุยกับหลวงพ่อขอจําเป็นนะอว่ามา เมื่อก่อนยังไม่ค่อยชัดชัดเจนเกี่ยวกับการแยกรูปนามเท่าไหร่แต่ตอนตอนนี้เห็นว่าการแยกของคือกายแล้วก็จิตแล้วก็เวทนาเห็นว่าบางครั้งกายก็เชื่อมให้เกิดเวทนาบางครั้งจิตก็เชื่อมจิตเองให้เกิดเวทนาบางครั้งมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาที่ที่กลางกลางอกได้โดยที่ไม่ได้มีเหตุระหว่างกายกับจิต ด้วยอะค่ะหลวงพ่อดูสินะมันทําเองไม่ใช่คนใช่สัตว์ใช่เราใช่เขาหรอกนะเห็นไหมแต่มันเป็นแต่สภาวะมีแต่สภาวะที่เกิดแล้วก็หายไปเกิดแล้วหายไปนะดูไปมากๆก็ถอนความเห็นผิดว่ามีคนมีสัตว์มีเรามีเขาไปดี ค่ะแล้วก็เมื่อก่อนจะจะจมไปกับเวลาที่มันเกิดทุกข์ที่กลางหน้าอกตอนนี้ก็เห็นได้บ้างว่ามันเป็นกลางแล้วก็มีอยู่มีอยู่เริ่มเห็นว่าพอมันเห็นความทุกข์แล้วจิตมันมันมีความสุขขึ้นมาที่ได้เห็นความทุกข์ตรงนั้นด้วย้จิตมันถอนตัวขึ้นมาจากกองทุกข์นะมันไม่ลงไปคลุกดีเหมือนคนตกไปในถังส้วมเมือนะตกมาไปจมแดกแย่ เราไม่ตกลงไปนะเราอยู่ข้างบนโลกนี้โศกโรกนั้นเลยเรากระโดดลงไปเมื่อไหร่เราก็โศกโลกละจิตที่มีมีสติมีปัญญานะมันถอนตัวขึ้นมามันไม่อยู่จมอยู่กับโลกมันก็ไม่ทุกข์เิได้ทำต่อได้ค่นะรู้สึกว่ามัน ม่ลมลุกคุก ค, คานอยู่เป็นปีแล้วมันเหมือนเพิ่งกลับลำเข้ามาแต่ว่ายังรู้สึกว่ามันมันมันยังมีบางอย่างที่มันมันไม่มีแรงพอที่ออทนั่นแหละสมาธิไม่พอนะสมาธิอย่างเดียวใช่ไหมค่ะหลวงพ่ทำสมาธิขึ้นมาก่อนทำสมาธิชนิดตั้งมั่นนะไม่ต้องเดินปัญญาอย่าห่วงเดินปัญญาถ้าจะทำสมาธิก็ทิ้งปัญญามันเอาแค่ว่าจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้ อจิตมีแรงแล้วก็ค่อยไปเดินปัญญาตต่อะจะเห็นด้มีแต่สภาวะธรรมไม่มีเราขอบคุณค่ะมาส ก, การ์ค่ะหลวงพ่อเออปัญหาที่เป็นอยู่คือเป็นเลขานุ ก, การในที่ประชุมทำงานนะคะเวลาทำงานแล้วมันก็ต้องคือสัญญามันดับ แล้วก็ต้องเพ่งตลอด3ามชั่วโมงเลยเพื่อให้รู้เรื่องแล้วก็พอหลังประชุมไปมันก็จะปวดหัวไปโอ้ธรรมดาคือใจเนี่ยถ้ามันน้อมหนีโลกนะมันจะไม่สนใจพอไม่สนใจสัญญาณมันไม่ทำงานฟังก็ผ่านหูไปเฉยๆนะอย่าไปเกลียดงานสิคือเวลาภาวนาเนี่ยถ้าเราติดในความสงบติดในความนิ่งความว่างนะมันจะไม่อยากยุ่งกับโลก นะมากระทบมาก็กระทบไปไงั้นนะไม่รู้เรื่องมีฉันทะในงานเพิ่มขึ้นนะตั้งใจสนใจมันหน่อยสนใจมันรู้สึกสนุกกับงานหน่อยจิตมันถึงจะออกรู้ไม่งั้นจิตมันหนีนะมันจะมาสว่างว่างอยู่เงี้ยจิตมันติดเข้ามาในนี้มันะติดความสงบความสบายความว่า ง, างค่ะๆนะอย่าให้มันติดนะได้ดีผู้ขอคําแนะนําเจ้าค่ะ จิตไม่ถึงฐานไหมตอนนี้ไม่ถึงเจ้าค่ะไม่ถึงให้รู้นะถ้าจิตไม่ถึงฐานเดินปัญญาไม่ได้ค่ะแล้วเราก็ทุกวันต้องซ้อมซ้อมให้ถึงฐานจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้นะค่ะฝึกให้ชํานาญค่ะมีอะไรที่ขาดอีกไหมเจ้าคะขาดตัวนี้แหละค่ะนะปัญญาเนี่ยก็เดินคล่องแคล่วแล้วขัดก็แยกแล้วอะไรก็แยกหมดแล้วขาดแรงขาดแรงอือไอ้ตรงไหลที่มัน วันนี้หลวงพ่อเทศให้ฟังอะค่ะแล้วก็เห็นว่าตัวเองยังทําได้น้อยจริงๆนะเพิ่มตัวนี้ขึ้นใช่ค่ะเพราะดูจากที่หลวงพ่อทําท่าแล้วก็ปกติฟังในซีดีจะไม่เห็นท่าแต่นี้เห็นหลวงพ่อบอกว่าไหลออกไปอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออจริงด้วยเนาะเวลาเราฟังจากซีดีเราไม่ได้เห็นหน้าว่าท่านทําท่าอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าต้องทําวีดีโอให้เยอะขึ้นกล่าวข่ะพระคุณเจ้าค่ะ นามส ก, การเจ้าค่ะคือหนูรู้ว่าหนูกลับไปบ้านหนูต้องไปหลงโลกเองแน่เลยค่ะใช่ทําไมล่ะทําไมตั้งปณิธานอย่างนั้นหือใจมันกลับกลอกอะค่ะหลวงพ่ออยากภาวนาะแต่ว่ามันก็มันก็ไหลไปเหมือนเดิมอะค่ะมันก็เหมือนกันทุกคนแหละนะใจแต่ละคนนะอยากนิพพานก็อยากนะอยากอยู่กับโลกก็อยากดงนั้นถ้าอยู่กับโลกแล้วยังนิพพานได้ด้วยนี่ดีที่สุดเลยเพอร์เฟก ไม่ว่าจะเอาทุกอย่างหนูยังไม่เห็นทุกพอถ้าหนูรู้ว่าโลกนี้คลอนแคลนโลกนี้เป็นทุกขนะ์แล้วหนูยะไม่ไม่นิ่งนอนใจหรอกเมื่อก่อนที่สุรินทร์นะมีคนหนึ่งคารวาะนะในภาวนาอยู่วัดวัดป่าดงขู่วัดสายลงหลวงปู ด, ดูลนะนะัตเละพานาเสร็จแล้วตอนเดินออกจากวัดนะวันหนึ่งเห็นทะลุลงไปในแผ่นดิน มองเห็นพวกเพื่อนๆญาติๆเลยพวกที่ตายตายไปแล้วนะพวกนี้มีอาชีพต้มไหมพวกนี้กำลังถูกต้มอยู่จิตใจก็สลดสังเวชว่าโอไม่ดีเลยนะอันตรายจังเลยแล้วก็กลับบ้านไปแล้วมาพอนาอีกกี่วันก็ไม่รู้เดินออกจากวัดอีกรายนี้จะมาได้ดีตอนออกจากวัดมา <c oughs> เดินออกจากวัดมานะมองลงไปที่แผ่นดินเนี่ย เห็นเลยว่าเปลือกโลกที่มนุษย์เราอาศัยอยู่ได้นะ่ะบางเฉียบเลยบางยิ่งกว่าเปลือกไข่ไก่นะถ้าเทียบกับตัวโลกอะลึกลงไปนี่นะมีแต่ความร้อนมีแต่ความของเหลวเนะนี่ยเขาเห็นลงไปเขาเลยรู้สึกว่าเออมันเหมือนเรายือนอยู่บนเปลือกไข่ไก่เราไม่มีความมั่นคงอะไรเลยโลกนี้ไม่น่าสนุกสนานโลกนี้ไม่ปลอดภัยออกมาบวชนะบวชได้ทีเดียวเขาเก่งเลยนะ นั่นทำไมเขาเด็ดเดียวเพราะเขาเห็นทุกเห็นโทษเนาะถ้าโลกยังสนุกอยู่โลกไม่ใช่เปลือกไข่ไก่หรอกโลกเป็นอะไรก็รู้แข็งแรงน่ก็จะไม่มีกำลังนะหนูไปดูคนตายหากระดาษมาแผ่นหนึ่งไปจดชื่อคนที่รู้จักที่ตายไปแล้วนะแล้วก็อีกช่องหนึ่งไปจด ชื่อคนซึ่งเรารู้จักนะแต่ว่าชีวิตมีความทุกข์คนนี้โอ้มีปัญหานี้คนนี้มีปัญหานี้แล้วหนูไปหาคนที่ไม่มีปัญหาให้ได้สักคนสิว่าไงครักบัณ ก, การครับอืก็ช่วงนี้กลับมาภาวนาได้เหรอทําไมล่ะช่วงก่อนหนีไปไหนอะช่วงก่อนมีโมหะเคลื่อบโยมไปยุ่งกับธารมะทาไมมีโมหะแล้วภาวนาไม่ได้ล่ะ พระพุเจ้บอกดูคราภิกสูทั้งหลายจิตมีโมหะให้รู้ว่ามีโมหะภาวนาเสร็จแล้วของของคุณมันไม่ดูคราภิกสูทั้งหลายจิตมีโมหะให้รู้ว่ามีโมหะของคุณเป็นประเภทดูกรบุรุษผู้นี้จิตมีโม ห, ใ ห, มโมหม ะ, ะ <c oughs> มมหให้หาทางละเสียม <c oughs> ันก็เลยพลาดสินะจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะจิตมัวรู้ว่ามัวนะอยากหายรู้ว่าอยากแค่นี้แหละภาวนาแล้ว คำว่าภาวนาไม่ได้เนี่ยจะไม่มีในสาระบบเลยดีก็ภาวนานะไม่ดีก็ภาวนาได้แต่กว่าตัวหลวงพ่อจะเข้าใจตัวนี้นะ<ม>ก็บวชนานเหมือนกันนะบวชได้พันสาสองพันสาพอจิตมันหมองลงหน่อยๆ น, นะไม่ชอบเลยหาทางแก้เหมือนกันเพราะนั้นเอามาพูดเราบอกเราบอกให้รู้อย่างสักว่ารู้นะสอนได้แต่ทาไม่ได้หรอกหลวงพ่อก็ทำไม่ได้นะมาบวชได้ปีสองปีแล้วนะ จิตมันมองๆอีกทนไม่ได้อะต้องหาทางสู้อีกสู้จนกระทั่งหมดสติหมดปัญญาเลยสู้จนไม่รู้จะสู้ยังไงเลยนะถึงได้เข้าใจว่าเออมันเป็นอย่างนี้แหละจิตมันหมองรู้ว่าหมองฟุ้บสว่างฟลงเลยะเพราะเราไม่ได้เกลียดมันนะอันนี้มันรู้แล้วมันก็ยังหมองต่อครับเออเพราะว่ามันไม่รู้จริงหรอกมันยังเกลียดอยู่มันไม่เป็นกลางต้องปรับอะไรเพิ่มไหมครับเลือกให้รู้ทันจิตที่ไม่เป็นกลาง ไม่ปรับแต่ว่าทุกวันก็ปฏิบัติตามปกตินะบางทีจิตก็ดีบางทีจิต ก, ก็ไม่ดีอันนั้นถูกต้องแล้วการปฏิบัติไม่ใช่จิตจะดีขึ้นตลอดเวลานะการปฏิบัติเนี่ยจเจริญแล้วเสื่อมจเจริญแล้วเสื่อมตลอดเวลาต่งางท่างล่นะจะนกระทั่งปัญญามันแจ้งจเจริญก็ไม่หลงยินดีเดี๋ยวก็เสื่อมเสื่อมก็ไม่หลงยินร้ายเดี๋ยวก็จเจริญ นึกว่าโมหะมันจะบางลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับบางสิ่งมันล้างด้วยมะรคมันไม่ใช่ล้างด้วยสติอย่างนี้นะมันมันยังฆ่าการไม่ตายหรอกครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะชื่ออาจารย์สิงห์ทองพ่อหน้าเก่งอาจารย์สิงห์ทองบอกธรรมชาติของจิตเจริญแล้วเสื่อมพูดอย่างนี้นะไม่ใช่เจริญลูกเดียวเจริญแล้วเสื่อมจนกระทั่งจิตยอมรับความจริงนะถึงได้ปล่อยวางจิตได้ ถ้าธรรมชาติของจิตเจริญลูกเดียวเราก็ก็จะยึดถือจิตไปตลอดเลยจะฝากเป็นฝากตายอยู่กับจิตเลยเพราะงั้นจิตเสื่อมนั่นแหละสาธุอยู่ที่ว่าเป็นกลางหรือเปล่าต่างหากนะที่ส่งการบ้านหลวงพ่อมาปีหนึ่งแล้วค่ะอพอดีเจอแบบทดสอบใหญ่อะค่ะคือไม่สบายค่ะมไม่สบายเกิดเวทนาที่ร่างกายมากเลยค่ะ ม, ม, มัน ดูแทบจะไม่ได้เลยค่ะจิตมันกระวนกระวายร่างกายมันกระสับกระสายมากเลยก็ปไปหมอก็ให้อุนตาซาวค่ะด้าซาวแล้วก็เขาบอกว่าไปเจอตรงไหนที่ตรงหัวตับอะเป็นเป็นจุดอะไรยังไม่ทราบอะหมอบอกว่าคุณรู้จักสติปปฌไหมบอกว่าน่า ล, ลับลักษณะคล้ายๆกันมมแต่ แต่ของคุณยังเห็นไม่ชัดสติบชอบที่เขามองไม่เห็นเลยนะ mm hmm. คุณต้องสแกนเครื่องใหญ่เพ mm hmm. ตอะ น, นั้นเรายังปวดเราว่าโอ้โหรู้สึกว่าอภารกิจเรายังไม่เสร็จเลยนะกรรมตัดรอนแล้วจิตมันก็ปรุงไป mm hmm. ทีนี้คุณหมอเขาก็ให้ยาขายปวดนะคายปว ด, ป, วดปุ๊บเนี่ยมันใกล้ใกล้จะหลับอะ่ะแล้วก็เราก็สวดมนแล้วก็ mm hmm. นึกถึงว่าพูดพระธรรมาส่งแล้วก็แผ่เมตตา ม, ม, ม, มันก็ค่อยๆหลับอะค่ะโอเทีนี้หลับเสร็จแล้วเนี่ยมันสติมันร่างกายมันขยับไปเนี่ยสติเกิดถีมากเลยดีดีดแล้วก็เห็นเกิดดับเกิดแบบแบบเป็นแบบชอตๆเลยค่ะ็ะเจ็บป่วยอย่างนี้คุ้มนะ ตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าความกังวลเนี้รู้สึกมันคลายลงไปเยอะก็เลยตัดสินใจให้หมอสแกนก็ปรากฏว่าสแกนแล้วก็ตรงนั้นไม่พบอะไรค่ะก็คือผ่านไปได้ค่ะก็รักษาอยู่โรงพยาบาลเป็นกลวยแตกเสพค่ะอืห้าวันทีนี้ตอนที่ห้าวันช่วงนั้นก็สติก็เกิดตลอดตอนที่นอนอยู่บนเตียงค่ะนี่แหละเวลาที่ความทุกข์เข้าถึงนะผู้ปฏิบัติเนี่ยช่วยตัวเองได้ค่ะ ถ้าไม่ปฏิบัตินั้นก็สติแตกเลยคดีก็หนูก็เห็นได้ประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ประมาณนี้ก็ดีมากนะก็เห็นความทุกข์ของร่างกายถ้าสมมติว่าเราจะตายนะเราก็เห็นสภาวะมันทำงานอย่างนี้นะอาจจะได้มากผลตอนตายเลยก็ได้ถ้าไม่ได้นะชาติหน้าไปเกิดนี่นะโอ้หฟังธรรมานิดเดียวนี้นะจิตจะหมุนติ้วขึ้นมาเลยเห็นเกิดดับไปเลยนะะบรรลุง่ายเลยไม่กิว่า ถ้ามันตายตรงช่วงนั้นจริงๆมันก็เป็นไงฮะคุณพ่าก็นี่ไงบอกแล้วไงแต่ถ้ามันเวทนามากๆนี่หนูดูไม่ไหวนะคะเวทนานมากๆก็ทําความสงบไปหนีไปพรอมโลกก่อนก็เลยตกลงกับที่บ้านแล้วว่าถ้าสมมุติเกิดเวทนามากขอยาแก้ปวดก็ใช้ได้ค่ะก็รายงานแค่นี้นะคะดีนะความเจ็บป่วยครั้งนี้ได้กําไรแล้วล่ะยากนักหนาที่เขาจะเห็นสภาวะกัน คุณคะกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคะ่ะหนูมาส่งกันบ้านหลายปีเจ้าคะ่ะอือออออจิตเป็นกลางมากขึ้นคะ่ะเออต้องอย่างนั้นสิแต่ก่อนจะอินมากว่าไม่อยากเป็นคนไม่ดีอยากเป็นคนดีอย่างเดียวแต่ว่าก็เห็นว่าถึงจะดียังไงมันก็ชั่วได้อ่ะคะ่ะอือแต่เราก็ไม่เอาชั่วนะ เมี่ยงหกนะเราก็เสมอกระแล้วชั่วก็ได้แล้วเท่านั้นต่อไปนี้ค่ะเราก็ตอนแรกเนี่ยหนูจะมองไม่ค่อยเห็นสภาวะของจิตแต่ว่าหลวงพ่อแนะนําให้หนูดูกายหนูก็ <ừ. S 1> ดูกายมาสักพักแล้วหนูก็เห็นสภาวะของจิตดีขึ้นค่ะไม่จะเห็น<ะ>เองนะหนูว่ากายเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่รู้สึกกายเรืแต่ไปจิตไม่ได้ชัดขึ้นมาค่ะครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมานะว่าดูกายเพื่อให้เห็นจิตนั่นะ แต่ตอนนี้หนูเหมือนมีปัญหาเจ้าค่ะเหมือนหนูรู้สึกบางทีมันไปว่างๆอยู่ข้างนอกใช่นั่นแหละนั่นแหล ะ, หละมันติดนะ่ะนะเพราะฉนั้นหนูกลับมาที่กายเลยเห็นไหมกายไม่ได้ว่างๆอยู่ข้างนอกอล้นะจิตมันหนีออกไปอยู่ข้างนอกไปจ้าอยู่ข้างนอกแล้วนะกลับมาดูกายไว้แล้วหนูจะกลับมาดูยังไงอะคะเรียกระดุกระดิกแล้วรู้สึกอยู่ในร่างกายนะถ้าไม่รู้สึ ก, ก น, นวดมันเข้าไปเลยเนะนวดจับจับจับจับจับเออเนี่ยอืม ลหลวงพ่อเจ้าขามันเกี่ยวกับสมาธิที่หนูปฏิบัติผิดหรือเปล่าเจ้าผิดตรศีสมาธินี่ออกนอกอให้ทำต่อนะไม่ห้ามแต่ว่าถ้าใจจะเคลื่อนออกไปแล้วให้รู้ทันออกจากสมาธิแล้วมาดูกายดูผมขนเล็บฟันหนังเนื่อยอนดูดูไล่ขึ้นไล่ลงอยู่ในร่างกายเรื่อยจิตมันจะกลับเข้ามานะดีนะไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าพอทาสมาธิแล้วไม่กลับมาที่กายมันก็เลยออกนอกไป ไม่จ้าอยู่ข้างนอกนะท่านทำสมาธิเสร็จแล้วกลับมาที่กายแล้วก็ผ่านได้อันนี้ไม่ยากแล้วสมาธิดีแล้วถ้าหนูเห็นว่ามันจ้าข้างนอกแล้วหนูไม่ชอบหนูก็่คยรู้ว่าไม่ชอบใช่ใช่รู้ว่าไม่ชอบถ้าหนูไม่เห็นกายหนูก็ไม่ต้องเห็นกายกายมันมีอยู่แล้วมันจะหายไปไหนเจ้าคะเขเนจ้ากายไม่ได้หายไปไหนนี่แต่ตอนนั่งสมาธิแล้วกายหายช่างมันออกจากสมาธิแล้วมาดูกาย หลวงพ่อเจ้าคะ่ะเหมือนตอนนั่งอะคะ่ะมันสงบเร็วมากแต่พอมันมีแสงมาบางทีหนูชอบเผลอไปดูอะคะ่ะนั่นแหละอย่าไปตามแสงไปตรงที่หลวงพ่อบอกว่าจิตมันเคลื่อนออกไปให้รู้ทันนะนะั่นแหะพอนั่งปุ๊บสว่างปั๊บเลยนะหนูนั่งไม่ถึงนาทีจิตก็รวมแล้วใช่คะ่ะนั่นแหละเก่งมันเกี่ยวกับที่หนูชอบไปตากแดดดูแสงอาทิตย์บอกคะฮะไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าสมาธิมันดีอ๋อคะ่ะหนูนะ่ะเข้าสมาธิได้เร็วมากนะ ไม่ถึงนาทีเลยเข้าฐานของสมาธิเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจิตมันเคลื่อนให้รู้นะตรงที่เข้าสมาธิแล้วจิตเคลื่อนตามแสงออกไปเนี่ยไม่รู้ทันว่าเคลื่อนมัวแต่ไปรู้แสงไม่รู้ว่าจิตเคลื่อนให้รู้ว่าจิตเคลื่อนเสรมันจะเข้าฐานพอหนูรู้ว่าจิตเคลื่อนเสร็จแล้วมันเข้าฐานแล้วมันกลับไปที่แสงใหม่แล้วหนูไม่ชอบก็ให้รู้ว่าไม่ชอบใช่ใช่นะดีฝึกต่อนะอย่าไปเลิกนะอย่าเลิกสมาธินะสมาธิดี เพียงแต่ว่าพาสว่างแล้วอย่าตามแสงไป น, นบบาัสการค่ะหลวงพ่อส่งการบ้านดีแล้วไงอ่ะ <c oughs> เห็นไหมว่ากายกับใจโค่ละอันเห็นไหมว่าสุขทุกข์กับใจก็โค่ละอันกะิเลสกับจิตใจก็โคลนลนะอันดดูไปด้วยดูจนจะทั้งใจมันยอมรับนะความเศร้าโศก ลำไรลำพันหรืออะไรต่ออะไรก็ตามเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าทั้งหมดเลยใจเป็นคุยคนดูใจไม่ได้เป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรด้วยค่อยฝึกไปเรื่อยๆคือเห็นใจมันไม่ได้เป็นทุกข์เป็นร้อนแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันติดไปติดอย่างอื่นหรือเปล่ายังไม่ติดหรอกขันมันแยกใจมันสบายนะแต่ว่าบางทีกังวลเกิดขึ้นความโหดหู่ใจเกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็ให้รู้เอา นะอย่าให้ความหดหู่ใจมันครอบงำไดนะ้ที่ทำอยู่ดีนะการนะครับหลวงพ่อพอดีผมปฏิบัติมาประมาณสักสามปีกว่านะครับก็เคยถามหลวงพ่อหลายครั้งเหมือนกันพอดีแม่ถามนานก็มาถามหลวงพ่อหน่อยอคือตอนนี้ปฏิบัติก็เห็นมันรู้สึกถึงกายถึงใจนะครับมัน แต่ประมาแลครับระหว่างขันนะครับอืบางทีก็เห็นจิตมันหลงคิดก็รู้ทันนะครับอก็ถ้าตั้งใจคิดมันก็สึกหนักมันมันมันก็ว่าถ้ารู้ว่าจิตหลงก็จิตคิดถึงมันก็รู้ว่าไม่ชอบแต่ก็รู้ที่ทำเหมือนกันใช่ไหมฮะหลวงพ่อสอนก็รู้สึกไปประมาบางทีก็รู้สึกทุกข์มันจริงๆแล้วทรมาร์มากๆนะเห็นแต่ทุกข์นะ มันบางทีมันไปนไหนไม่ได้ไงทำไมไม่มีทางรอดมันโดนขังเลยไม่มีทางรอดเลยเพราะว่าถ้าเราภาวนาสติปัญญาแก่กล้าขึ้นนะเราจะรู้เลยสามแดนโลกธาตุนี้นะมีแต่ทุกข์ไม่มีที่หย่างเท้าลงให้เรายืนแล้วมีความสุขได้เลยแล้วเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนั้นเลยบางทีบางทีผมก็หลงก็รู้แล้ว่าหลงครับแต่ว่าก็รู้เฉยบานทีก็หลงก็ต้องทำหลงไว้ก่อนแล้วก็พยายามรู้เนืองเนืองครับ ก็ถูกแล้วล่ะมันต้องลงไปก่อนเรารู้ว่าหลงนะครับก็ถูกแล้วเลยมันปฏิบัตินี้สมาธิผมมันยังอ่อนไปเยอะไหมครับใช่ยังฟุ้งเก่งอยู่ยังฟุ้งอยู่ไหมฮ ะ, ะฉะนั้นทำทำสมาธิชนิดจิตสงบบ้างบานที่ผมทําสงบนะครับแต่ว่าเพ่งที่ตามรู้สึกมันอดนึดอัดแต่ว่าต้องนั่งแบบว่ารู้ความคิดไปรู้รู้รรสึ ก, กว่าสงบเรื่อยกว่าเอางั้นเอาวอะไรสงบเอาวันนั้นแหละเอามันมี2แบบใช่ไหมครับ แบบแรกที่ว่าเพ่งรู้สึกอึดอัดมากเลยทําไม่ได้เลยเ พ, งเพ่งไม่เอานะเราไม่ถ น, <c oughs> นัดก็ไม่เอาแล้วถ้ารู้ตามความคิดรู้ทานรู้ทานเนี่ ย, ย ร, รู้รู้ทานจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยความฟุ้งซ่านดับสมาธิก็เกิดครับ <c oughs> ใช้วิธีนี้ก็ได้ถ้ารู้ทานฟุ้งปุ๊บนั่งสักผมต้องไล่เหมือนกับไล่ะไล่อันดับไปเรื่อย <c oughs> ๆครับถ้าไล่ความฟุ้งหมดปุ๊บมันจะสว่างใช่ไหมครับใช่สว่างสว่างเสร็จแล้วก็รู้รู้รู้การแบบว่าเหมือนกับ เป็นปั๊บปั๊บางทีมันมีมันแค่เป็นปรากฏการณ์อะไรบางอย่างเนี่ยเออรตนจิตให้เองครับใช่จะประมามาให้เองเราจะเห็นว่าสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมานะไม่มีชื่อหรอกใช่มันมันต้นตั้งนานๆถึงรู้ฮะมันต้องค่อยไล่มันกับไล่อันดับนะครับงั้ก็ไปทําบ่อยๆบางทีใช่ถ้าทำบ่อยๆรู้สึกว่ามันจะสติจะดีใช่สินานๆทําทีไม่ดีฟุ้งสั้นไป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 พอเข้าไปถึงอันนี้ก็คือเข้ามาถึงชา้นที่สามเขาเข้าไปดูในสภาวะอันนั้นอีกคือไม่ต้องถอยออกไปดูนอกชานะดูเข้าไปในชานนั้นเลยฮนะแล้วภายในชา้นที่สามนี่ก็จะเห็นสภาวะสุขกับสภาวะอทุกข์มสุขเนี่ยเสื่อมเสื่อมสิ้นไปสลับไปสลับไปให้ดูอยู่เรื่อยๆนะฮะอันนี้นะฮะถ้าเผื่อว่าบางท่านที่ท่านฝึกสมาธิมาเข้ามาถึงจุดเนี่ยท่านอาจจะเข้าใจได้แต่ว่า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 มีแต่พูดเสวยแล้วก็ไม่รู้ว่ากาลังเสวยสุกนั้นอยู่อันนี้ก็คือการที่เรียกว่าเข้าไปติดสุกในฌานถ้าจิตท่านตั้งมั่นจริงๆแล้วเนี่ยท่านจะไม่ติดตรงนี้ก็จะผ่านไปได้จนกระทั่งถ้าผืานจากฌานนี้ฌานที่สามนี่เข้าไปอีกก็จะไปถึงฌานที่สี่ซึ่งเป็นสภาวะที่สุกนั้นดับไปสุกนั้นดับไปก็จะมีเหลืออยู่แต่สภาวะอทุกขมสุ ข, ขเวทนาซึ่งเป็นตัวเดียวเป็นสภาวะที่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 การปฏิบัติของผมก็คิดว่าคงจะมีเท่านี้นะครับอนุโมทนาด้วยนะให้เล่าให้พวกเราฟังอ่ะเพื่อจะได้รู้ว่าการปฏิบัตินะมันมีทั้งเยอะนะเนี่เราอย่างพวกเราเนี่ยเราใช้ปัญญานําสมาธิเพราะอะไรเพราะเราไม่มีสมาธิที่ลึกที่เข้าฌานได้นะเราใช้ปัญญาดูเกิดดับไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งจิตมันเข้าสมาธิเอง สมาธิมจะเกิดขึ้นแล้วสมาธิค่อยๆเข้มแข็งขึ้นตอนที่เกิดอรยิยมรรคเนี่ยจะเกิดในองค์ฌานเสมออย่างของคุณดําเกิงเ น, เนี่เยเขาใช้สมาธิและปัญญาควบกันคนที่ใช้สมาธิและปัญญาควบกันได้ต้องมีคุณสมบัติ2 อ, อย่างอย่างที่1นึ่ต้องชำนาญในฌานมีวสีวสีมีสข้อชํานาญในการเข้าชํานาญในการทรงอยู่ชํานาญในการออกชํานาญในการเจริญปัญญาในฌานเรียกว่ามีว่าสีสี่อย่าง คนที่จะทำได้ต้องชํานาญมีวสีในฌานแล้วก็ชํานาญในการดูจิตเพราะว่าอารมณ์ที่เราใช้ดูนะในฌานเตือนปัญญาในฌานเป็นนามธาทําทั้งสิ้นเลยนะเราจะดูนา ม, มาทําดูองค์ฌานที่เกิดดับไปเห็นมันเสื่อมสลายไปทีแรกก็เห็นองคฌานเกิดดับเกิดดับนะอันนี้เรียกอุทยพยัญานตรงที่เห็นองฌานมีอยู่แล้วค่อยๆสลายสลายสลายไปเรียกพังขยานนะมันเห็นความดับนะมุ่งไปที่ความดับ อีกวิธีหนึ่งก็คือเข้าฌานแต่ว่าไม่ชํานาญในการดูจิตไปเดินปัญญาในฌานไม่ได้เข้าฌานออกจากฌานมาแล้วนะให้มาดูกายนะเพราะั้นทางเดินนะั้นมันมี3มเส้นทางหลักๆใช้สมาธินําปัญญานะคือเข้าสมาธิเสร็จแล้วออกจากสมาธิมาแล้วมาดูกายดูเวทนานะใช้ปัญญานําสมาธิอย่างที่พวกเราส่วนใหญ่ในยุคนี้ทํากันเพราะเราไม่มีฌานนะ อีกอย่างหนึ่งใช้สมาธิและปัญญาควบกันเนี่ยที่คุณดาเกืองทำนี่หลวงพ่อให้ฟังไม่ใช่ว่าให้พวกเราทําได้ให้ฟังเป็นความรู้ไวนะ้ต่อไปเราได้ยินใครพูดถึงกรรมฐานนะเขาต่างจากเราเราจะได้ไม่ใจแคบว่ามีวิธีของเราเท่านั้นที่ทําได้นะเราก็จะรู้ว่าวิธีนี้เขาก็ได้วิธีนี้เขาก็ทําได้แต่มันต้องอยู่ในหลักที่พระพุทธเจ้าสอนนะ วิธีอะไรที่ไม่ได้มีสติรู้รูปนามลงปัจจุบันตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางไม่ใช่ทั้งนั้นนะอย่าวิเศษวิโสยังไงก็ไม่ใช่ทางที่จะเดินนะแต่ถ้าอยู่ในหลักมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะก็ยังมี3รูปแบบนะสมาธินำปัญญาปัญญานำสมาธิสมาธิปัญญาควบกันนะทําไดนะ้เราจะได้ไม่ใจแคบนะที่ผ่านมานะพวกดูกายเยอะ ก็ดูจิตเผยแฝ่ออกมาโดนโดนบอมนะต่อไปนะพวกดูจิ ต, นะ ต, นะ จ, ตจะเยอะอย่าไปบอมพวกดูกายนะเขาถูกของเขาเหมือนกันนะเราอยากใจแคบนะมันไม่ฉลาดทางใครทางมันนะถ้าทําถูกหลักที่พระพุทธเจ้าสอนมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางได้ทั้งสามทางนี้ไปสู่ความบริสุทธิ์อันเดียวกันนันะ่นะแหละจะดูกายก็ได้ดูเวทนาก็ได้ดูจิตก็ได้ดูธรรมก็ได้นะ ก็ลงไปถึงความบริสุทธิ์อันเดียวกันนะอาวันนี้ทิ้งท้ายให้แค่นี้ก็พอแล้วเนาะกลับไปทำเอาเองไปตัวใครตัวมันนะอีกเดือนกว่าๆจะมาส่งกันบ้านก็มาไปทำนะไปภาวนาก็